ตามพระธรรมตามะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในภาพอริยสงสารมีความเชื่อศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรูท้ที่ที่แท้จริง ที่ทรงรู้ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่แต่สำโลกยังไม่รู้ยังไม่เห็นเช่นทรงรู้เรื่องบุญเรื่องบาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายต า, ายเกิดเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายต า, ายเกิด แล้วก็สรงนำเอาพระธรรมคำสอนมาสอนมาเผยแผ่เอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มาเผยแผ่ที่เราเรียกว่าพระธรรมคำสอนแล้วก็มีความศรัทธาเชื่อในพระอริยสงสาวคือผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าและได้นำอาไปปฏิบัติด้วยความภาคเพียรอุตสาหะด้วยความเข้มแข็งอดทนจนได้บรรลุธรรมได้เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็เป็นเช่นเดียวกับพระอริยสงสาวโกทั้งหลายตอนนี้ เรามีศรัทธาความเชื่อเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับ ทำให้เรานั้นได้มีความรู้ความเห็นความฉลาดได้รับความสุขได้รับการเจริญจากัการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พระอริยสงสาวุษทั้งหลายได้รับกันไม่ว่าจะเป็นพระสาวกในอนดีตในสมัยกษัตริยเจ้าก็ตามหรือในสมัยปัจจุบันนี้ ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติเหมือนกันเพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็จะสามารถส่งผลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เหมือนกัน ดังนั้นพวกเราที่มาเกิดในสมัยปัจจุบันที่ห่างไกลจากสมัยพระพุทธเจ้าถึง 2,500 กว่าปีก็ไม่ต้องมีความคิดว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นไม่มีความไม่มีความจริงหรือไม่มีความสามารถที่จะทำให้เราบรรลุ ผลไ ด, ไได้ไม่ทำให้เราสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี้คงเส้นคงวาสามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยจึงไม่ต้องมีความท้อแท้หรือความลังเลสงสัยว่าจะไม่ได้ผลอย่างที่ ผู้ที่ปฏิบัติในสมัยพระพุทธการได้ผลกัน <c oughs> เพราะคุณธรรมะเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลาแต่ธรรมะคำสอนนี้ไม่เสือ่อมมรรคผลนิพพานที่เป็นผลก็ไม่เสือ่อม ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะเป็นเครื่องรับรองผลที่จะเกิดขึ้นตามมาดังที่ปรากฏมีพราะอาริยสงสาวุในยุคต่างๆจนมาถึงในยุคปัจจุบันนี้พวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัย ขอให้เราตั้งความเชื่อนี้ไว้อย่างแน่วแน่อย่าลังเลสงสัยเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติและเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของศรัทธาที่เราจําเป็นจะต้อง ปูกฝังให้อยู่อย่างมัน่นคงแน่วแน่ภายในจิตใจของเราในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยการศึกษาการได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเรยพราะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ ลึกซึ้งมากขึ้นไปตามลาดับจนเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีจริงและสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอยู่บ่อยๆเราก็จะได้มีความมั่นใจ มีความศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนไม่ลังเลสงสัยแล้วก็จะทำให้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังและเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้ศรัทธาของเรานีเป็นศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมกลายไป เพราะเราได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของแล้วแล้วนั่นเองดังนั้นการจะสร้างศรัานั้นก็ต้องสร้างอยู่สองระดับด้วยกันระดับจากการได้ยินได้ฟังก่อนศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติเราก็จะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็จะเกิดศรัทธา ที่แท้จริงคือจะเชื่อแบบไม่มีวันเสื่อมคลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาก็ตามจะไม่ทำให้เราเบียนความเชื่อในพระพุทธศาสนาไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีศาสนาพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่พระพุทธศาสนาก็จะอยู่ในใจของเราไปเสมอพราเราได้ ปฏิบัติจนเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือพระพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติ ธ, ธรรมของเรานี้เองอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องกันอย่างสม่าเสมอจนเป็นเหมือนเป็นแผนที่นำทาง พาให้เราได้ไปพบกับผลอันดีอันเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระสงสาวกทั้งหลายได้พบกันนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาที่พวกเราควรที่จะยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติการเข้าวัดอย่างสม่าเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อเราได้เข้าวัดแล้ว เราก็จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าและเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นชัดขึ้น mm. ก็จะทําให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปและเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว ผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏตามมาก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้ในเรื่องต้นเราก็ปฏิบัติขั้นต่ำซึ่งเป็นเหมือนบันไดการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนการก้าวขึ้นบันไดเราต้องก้าวขึ้นไปทีละก้าว เราจะกระโดดก้าวขึ้นไปไม่ได้เพราะกำลังของเรามีไม่พอเท้าของเราไม่ยาวพอที่จะกระโดดจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สมที่สี่ได้ต้องก้าวไปทีละขั้นดังนั้นขั้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติก็คือให้ทานคือให้เราเสียสละให้เราบริจาคเครื่องใช้ไม่สอย เท่าของเงินทองต่างๆที่เราพอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้โดยเฉพาะผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติเช่นน้ำทั่วในขณะนี้ถ้าเราพอที่จะแบ่งปันอาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม่สอยก็ควรที่จะ กันและก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เกิดภัยพิบัติเท่านั้นเราควรจะทำอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ติดเป็นนิสัยไปเพื่อที่เราจะได้ทำให้มากขึ้นไปเพราะเป้าหมายของการให้ทานนี้ก็คือต้องการให้เราให้ให้หมไปเลยเพื่อที่เราจะได้ ออกปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังหวงยังห่วงยังเสียดายในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับได้ดังนั้นเราควรที่พยายามให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะว่าเมื่อเราให้แล้วเราจะได้รับความสุขเมื่อเราได้รับความสุขเราก็จะมีกำลังใจมีศรัทธาที่อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นไปเมื่อให้มากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อยากที่จะให้ไปหมดเลยพอเห็นแล้วว่า ความสุขนั้นไม่ได้อยู่การที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายกองเข้าภูเขาแต่กลับเห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่การให้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ได้ความสุขทำให้เรามีความสุขใจต่างกับเวลาที่เรา ได้เข้าของเงินทองต่างๆมาเราจะรู้สึกดีใจมีความสุขประดีิวประดาวแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกแทนที่จะได้รับความอิ่มความสุขความพอจากการได้เข้าของเงินทองมาแต่กลับเกิดได้ความหิวความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมามากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของชีวิตจึงไม่ใช่เป็นทางที่จะนำความสุขและความอิ่มความพอมาให้แต่การเสียสละการบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินความเจเกินความจำเป็นนี้ให้แก่ผู้อื่นต่างหาก ที่จะทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจถ้าได้ให้บ่อยๆแล้วก็จะอยากจะให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเวลถึงเวลาหนึ่งก็อยากจะให้หมดเลยไม่อยากจะมีสมบัติเข้าของเงินทองมีเพียงไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไป นั่นก็คือการรักษาศีลผู้ที่จะรักษาศีลได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างไม่แคบไม่เห็นแก่ตัวผู้ที่มีความโลภอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองมากๆนั้นจะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ เพราะจิตใจนั้นมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะเวลาอยากจะได้อะไรแล้วจะไม่สนใจว่าจะได้มาอย่างไรถ้าได้มาโดยวิธีต้องเบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นก็จะเอามาให้ได้ แต่ผู้ที่ให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเขาจะมีความเมตตากรุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบทำบาปไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นพอจะรักษาศีลก็จะรู้สึกว่ารักษาได้อย่างง่ายดายนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องให้ทานกัน แต่ที่เราได้ยินได้ฟังว่าการให้ทานแล้วจะทำให้เราร่ำรวยจะทำให้เรามีทรัพย์สมบัติเงินทองมากขึ้นนี้ก็เป็นความจริงแต่เป็นความจริงไงพบหน้าชาดหน้าที่จะตามมาต่อไปอย่างคนบางคนที่เกิดมาแล้วร่ำรวยโดยที่ไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรน หาทรัพย์หา ส, บหาสมบัติก็เป็นเพราะว่าในอดีตเขาได้ทำบุญให้ทานมามากนั่นเองแต่เป้าหมายหรือเจตนาของการให้ทานนี้ไม่ได้ต้องการให้เรารลิล่รวยแต่ต้องการให้เราตัดความโลภในในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องการให้เราอยากลิ่าอยากรวย อยากจะมีเงินทองมากมายเพราะจะทําให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเป้าหมายของการทำทานของพ่อพระเจ้ธธานี้เพื่อให้เราไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ให้เราหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ให้เราหาความสุขจากการให้ รับสมบัติเข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้หาความสุขที่ดีกว่าละเอียดกว่าจากการรักษาศีลจากการไม่ทำบาปแล้วก็จากการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาอันนี้ต่างหากคือเป้าหมายของการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสุขภายในใจความสุขที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆความสุขของทรัพสมบัติเงินทองนี้ ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนน้ำในตุ่มส่วนความสุขที่เกิดจากการให้ทางรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ความสุขจากการได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมานี้จะได้เพียงแค่น้ำในตุ่มไม่ว่าจะได้มาหนึ่งล้านหรือร้อยล้าน ก็จะได้แค่น้ำในตุ่มเท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่ควรที่จะหลงไปกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปเงินทองนี้ถ้าเรามีพอเพียงต่อการดูแลอัตภาพชีวิตของร่างกายก็ถือว่าทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่แล้วเราได้ความสุขเต็มเต็มตุ่มแล้ว จะไม่ได้มากไปก่อนนี้ถึงแม้เราจะมีเงินทองเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าร้อยเท่าก็ตามมันก็จะไม่ได้ให้มีความสุขมากไปกว่า น, นี้จากการมีเงินมีทองเพราะความสุขที่เกิดจากการมีเงินมีทองนี้ให้เราได้เท่ากับน้ำในตุ่มเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเราก็ต้องเอาเงินทองที่เราได้มามาก นีที่เราไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้มากกว่าน้ำในตุน่มนี้เอาไปทำบุญให้ทานเสียเพื่อเราจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปกว่าน้ำในตุ่มนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูเพราะพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ทรงมีสมบัติต่างๆมากมายเกินความจำเป็น เกิความต้องการของร่างกายและพระองค์ก็ทรงเห็นว่าก็ไม่ได้ให้ความสุขมากไปกว่าที่พระองค์ทรงต้องการแต่อย่างใดจึงเลยสละพระราชสมบัติแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุข ที่เกิดจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจนในที่สุดก็ได้พบกับความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนั่นและคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในระดับน้ำในมหาสมุด ใ, ในระดับท้องฟ้ายิ่งใหญ่มากเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันไม่มีความทุกข์เข้ามาผสมประสานด้วย นี่แหะคือความสุขที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราได้รับกันแต่ผลที่ได้รับเป็นผลข้างเทียงหรือผลปล่อยได้ก็มีอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงความสุขขั้นระดับปรมาณสุขขันธเราก็ยังต้องไปเกิดต่อไปก่อนแต่ภพชาติของเรานั้นจะเป็นภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลําดับ เช่นถ้าเราทำบุญรักษาศีลนั่งสมาธิพกชาติของเราก็จะเป็นพบในสุขคติคือได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมหรือถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ที่มีบุญบา ร, รมีมีความมั่งมีมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวนานนี่เป็นผลพอยได้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่เป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือพระนิพพานก็คือประมังสุขขังนี่เองคือความสุดที่ยิ่งใหญ่ในระดับท้องฟ้ามาหาสมุทรและก็ เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการดับทุกข์ได้อย่างถาวรจะไม่มีทุกข์อยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่ต่างหากคือเป้าหมายของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพระเจ้าส่วนความร่ำรวยหรือพบชาติที่ดีต่างๆนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากการปฏิบัติในใน ในระหว่างทางที่เราเก้าวไปสู่พรนิพพานเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภพชาติที่ดีขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังต้องมีความทุกข์ตามมาอยู่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปถึงแม้จะเป็นพรหมก็ต้องเสื่อมกลับมาเป็นเทพจากเทพก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไปดังนั้นอย่าหลงอย่าหลงกับผลพลอยได้เหล่านี้ถึงแม้จะดีแต่ก็ไม่ดีเท่ากับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเป้าหมายของพวกเราในการทำบุญให้ทารในการรักษาศีล ในการปฏิบัติทำนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญานี้ก็เพื่อที่จะตัดภพตัดชาติให้หมดไปจากกิจจากใจของพวกเราดังนั้นเวลาเราปฏิบัติขอให้เราดูผลที่ใจของเราเป็นหลักอย่าไปดูผลที่เกิดจากภายนอกเช่นรางวัลที่เราอาจจะได้รับจากการที่เรา ทำความดีถ้าเราได้รับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไม่ต้องไปดีใจถ้าเราไม่ได้รับเราก็ไม่ต้องเสียใจถ้าเราปฏิบัติแล้วใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สึกเฉยๆนั่นแหละเป็นผลที่ดีจากการปฏิบัติ เพราะว่าถ้าเราเกิดความยินดีเราก็จะเกิดความโลภอยากได้พอเราโลภแล้วไม่ได้เราก็จะเกิดความเสียใจถ้าเรายินร้ายใจของเราก็จะวุ่นวายไม่สงบแต่ถ้าเรารู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดิ้นไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ชอบไม่ชังอย่างนี้เลยเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริง จึงขอให้เราดูผลที่ใจของเราเป็นหลักเพราะถ้าเราไม่ดูผลที่ใจแล้วเราก็อาจจะเกิดความท้อแท้ได้ถ้าเรามารอหวังรับผลจากผู้อื่นเช่นรับรางวัลเช่นทําความดีแล้วก็อยากจะได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับรางวัลได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งหรือได้ ขึ้นเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าผลที่เราต้องการก็คือความสุขใจอินใจความพอใจความสงบความไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กงังวลไม่หวาดกลัวไม่ว้าเหว่ไม่เศร้าส้อยหงอยเหงา สิ่งานี้จะเป็นผลที่เกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมถ้าเราทำบุญให้ฐานรักษาศีลอย่างเดียวนั้นเรายังจะไม่ได้รับผลมากเท่าที่ควรเราจิตใจเรายังจะไม่สงบเท่าที่ควรเรายังจะมีความรู้สึกยินดียินไล่วิตกกังวลว่าหุ่นขุ่นนัวได้ แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติขั้นสมาธิและขั้นปัญญาแล้วความวิตกกังวลว่าวุ่นขุนงัวต่างๆนั้นจะเบามางลงไปน้อยลงไปตามลำดับและหมดไปได้ในที่สุดนี่คือผลที่เราต้องการเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ากว่าความสงบต่อความสุขของใจต่อความดับทุกข์ภายในใจ ต่อให้เรามีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ถ้าเรายังมีความทุกข์ใจอยู่เงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ใจของเรากับไม่มีความทุกข์เลยอย่างนั้นจะมีคุณประโยชน์กว่าและก็ต้องเกิดต้อเป็นแบบนี้ด้วยเพราะถ้าตราบใดเรายังมีเงินมีทอง ยังยึดเงินทองเป็นที่ให้ความสุขกับเราอยู่เราก็ยังจะต้องมีความทุกข์เพราะาเราจะต้องวิตกกังวลว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้จะหมดไปเมื่อไหร่และเราจะหาเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรพอเกิดเงินทองหมดไปขึ้นมาแล้วไม่สามารถหาขึ้นมาใหม่ได้เราก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจบางครั้งอาจจะทนอยู่ไปไม่ได้ อาจจะต้องฆ่าตัวตายไปก็มีเช่นคนที่หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตของตนเกิดความท้อแท้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปก็จะฆ่าตัวตายไปได้ดังนั้นขอให้เราเห็นโทษของการยึดติดกับเงินทองเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเพราะว่า เป็นเหมือนงูที่อาจจะกัดเราได้หรืออาจจะเป็นเหมือนมีดที่อาจจะบาดหรือทิ่มแทงเราได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินทองแต่ถ้าเรารู้จักใช้เงินทองคือใช้กับสิ่งที่จําเป็นเช่นปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศายาัยยารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่มและพอเรามีพอเพียงแล้วเราก็ เอาเงินที่เหลือนี้ไปทำบุญให้ทานต่อถ้าทำอย่างดีแล้วเวลาหมดเนื้อปะดาตัวก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่แหละคือเรื่องที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันคือให้เราสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจ ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินกองเท่าภูเขาไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมีคนยกย่อ ง, งสรรเสริญไม่จำเป็นจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมาบํารุงบําเลิขอให้เรามีการปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีล การนั่งสมาธิการเดินจงกร ม, มการเจริญปัญญานี้เท่านั้นก็พอแล้วเราจะมีความสุขอันยิ่งใหญ่มาหาสารอยู่ภายในใจของเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขแบบนี้มาก่อนแล้วจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนด้วยศรัทธาความเชื่อนี้ ให้ท่านได้นำามาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย